วกดึงหน่อยเูจาจกภาษาไปเล ย, เ ย, เยทำวัตรสวดมนต์จเจริญพุทธมนต์สาธยายคำสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> ทั้งผู้สวดทั้งผู้ฟังถ้าฟังเป็นสวดเป็นแล้วมันเป็นบุญเป็นกุศลมีอาลิสง์มาก สำหรับคำว่าเป็นผู้สวดผู้สาธยายก็ตั้งใจสวดตั้งใจว่าตั้งใจสาธยายฟังเสียงให้มันกลมกลืนกันเสียงสวดจังหวะขึ้นจังหวะลง ถ้าตั้งใจสวดตั้งใจว่าเสียงมันกมเกินกันถ้าผู้ตั้งใจฟังในลักษณะนั้นเสียงสวดลักษณะนั้น <c oughs> <c oughs> จิตใจคอยตามจังหวะเสียงรมจังหวะขึ้นจังหวะลง ตามบทเสียงธรรมที่ท่านสาธยายด้วยความตั้งใจอันนั้นเป็นแนววางจังหวะกระแสจิตของเรานี่พูดจังว่าลักษณะการฟังเป็นตลอมกระแสจิตใจของเราไปตามจังหวะเสียงที่ท่านสวดเสียงที่ท่านว่า ในขณะที่ตั้งใจจะล้อมอยู่กับเสียงที่ยังบะท่านสวดด้วยความตั้งใจนั้นมันจะเกิดความรู้สึกทางจิตใจว่าเพราะไพ่ล้อเสียงเพราะเสียงไพ่ลาะความรู้สึกทางจิตใจนั้นมันจะเกิดความสุขเกิดความปีเตะขึ้นตรงนั้น อันนี้การฝั่งฟังในทางที่ถูกฟังในทางที่เป็นลักษณะนี้ถ้าเปียบเหมือนเครื่องใช้ของเราผู้ตั้งใจสวดตั้งใจว่าด้วยความตั้งใจจังหวะจะคนเสียงกลมเกินหน้าฟังเปียบสึเหมือนหนึ่ง รถที่ยี่ห้อดีๆวิ่งตามถนนดีๆเรียบๆผู้นั่งจะรู้สึกความสบายผู้นั่งจะรู้สึกความสุขความสบายมันเป็นกฎธรรมชาติของมันถ้า ผู้สวดผู้สาธยายไม่ตั้งใจว่าว่าไปกคสักแต่ว่าเสียงจังหวะจกโคนไม่กลมเกินไม่ไปด้วยกันฟังแล้วคนหนึ่งก็ไปเสียงอย่างหนึ่งคนหนึ่งก็ไปเสียงอย่างหนึ่งคนที่ฟังเกิดความรู้สึกความไพเราะไม่มี เปรียบซเหมือนหนึ่งเครื่องใช้รถอย่างว่านั้นเหมือนหนึ่งรถแต่รถไถนาที่มันไม่มีแหนบแล้วก็วิ่งตามถนนครูขะก็ไปได้อยู่จะหาความสนุกหาความสบายก็นั่งรถประเภทนั้นไม่ได้ก็สักแต่ว่าไปไปให้มันเมื่อไหร่มันจะถึงเมื่อไหร่มันจะจบเมื่อไหร่มันจะแล้วเมื่อไหร่จะถึงที่ ก็ไปได้อยู่ใช้ได้อยู่ในทางที่ดีไม่ควรจะให้มีอย่างนั้นแหละแต่ที่นี่ถ้าเลือกได้นั่นนะควรจะเลือกเอาเฉพาะทางที่มันดีดีลดยี่ห้อดีดีถ้าถ้าเลือกได้ถ้าทําได้แต่ที่นี่มันก็อย่างว่านั่นแหละผู้ตั้งใจสวดที่เข้าใจอย่างที่ว่านี่ มันจะเข้าใจจีมากน้อยแล้วผู้ตั้งใจฟังจะเข้าใจจีมากน้อยเพื่อให้มันเป็นประโยชน์ในการฟังโลปาลัมมณังวาละสาลมณังวาเอารูปอะไรเป็นอารมณ์เอาเสียงอะไรเป็นอารมณ์ที่คนตายในมนพระท่านไปสวดอภิธรรมนาถ้าฝึก ในการฟังการดูว่าเอารูปที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นอารมณ์เอาเสียงที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นอารม์ดวงจิต ด, ดวงใจที่เคยฝึกที่เคยน้อมจิตน้อมใจอย่างนั้นแล้วดวงจิต ด, ดวงใจออกจากรูปอันนี้ล่างอันนี้แล้วไปสู่สกติเนกามาวจวนกุศลเห็นได้ชัดเลย ที่นั้นจึงพยายามเชี่ยมงวดกวดขันเตือนอยู่เรื่อยฝึกให้มันเป็นนิสัยฟังให้เข้าใจเวลาทำวัดถ้ารมว่าไม่ได้แบบสวดมนต์ว่าถ้าว่าไม่ได้นั่นน่ะก็ตั้งใจฟังด้วยควมามเขารบตั้งใจฟังด้วยความสงบประคองจิตฟังตามจังหวะจากคนที่ท่านว่า สังรวมจิตใจอยู่ในจังหวะที่ท่านสวดท่านสาธยายด้วยความเขารบคาลาวะตั้งใจฟังด้วยความสงบความไพเราะทางจิตใจมันจะเกิดขึ้นไพเรายะยังไงอันนี้มันเปรียบจะเหมือนหนึ่งจะอธิบายรสหวานกับรสเผ็ดนั่นแหะมันมันอธิบายไม่ไม่ไม่ได้คําว่าไพเลาะมันเป็นอย่างไงก็เหมือนอย่างนั้นแหละเหมือนอธิบายรสหวานเป็นยังไงนั่นแหละจะหวานเท่ากําปั้นี่หรือ เดี๋ว่าเมเท่ากำปั้นนี่เลยนักจะพูดมาได้ยังไงล่าคำว่าภายัยรอเพราะก็แบบเดียวกันอธิบายไม่ถูกในครั้งพุทธการพระพุทธเจ้าก็บอกเอาไว้อยู่ เความเป็นบุญในการสรรเสริญสวดสรรเสริญในการเป็นบุญกับผู้ฟังพระเจ้าพระสงฆ์ท่านอยู่ในถ้ำทำวัดสวดมนต์สวดสาธยายสรรเสริญพุทธกุณธรรมกุลสังกุลนี่แหละในรรำนั้นส่วนมากแล้วไม่ว่าไม่ว่าที่ไหนมันมีไอตัวข้างคาวอยู่นั่นนะ่ะมาบินมาเกาะ ไอข้าง ข, าข่าวคงจะเป็นอะไรล่ะเคยมีนิสัยเคยฝึกเคยฟังยังไงก็ไม่รู้อะในขณะพระเจ้าประสงค์ท่านสวดสาทยายจิสันลเลิญเสพุทธคุณทรรมกคุณอยู่เหมือนที่พวกเราสวดสันเริญธรรมวัดไหวพระเจริญพุทธมนีนล่ะ ข้างข่าวตัวนั้นตั้งใจฟังประคองจิตฟังอย่างทีทวาเนี่ยเมื่อประคองจิตฟังกระแสจิตของข้างข่าวนั้นตลอมไปตามจังหวะที่พระเจ้าพระสงฆ์สั้นสวดท่านสาธยายในขณะที่ประคองจิตฟังนั้นนะมันทวนกระแส จากเรื่องต่างๆไปให้จินมากไม้ตัวนั้นไปห้ในบินปกระหมูในทางน้นทางนี้มันไม่ได้นึกถึงอลไรนั่นน่ะตล่อมกระแสจิตเข้ามาฟังเสียงอย่างเดียวทั้งนี้มันไม่รู้จักภาษีภาษาว่าเสียงท่านท่านว่าอะไรไม่ได้ไม่ได้สนมันไม่ไม่เป็นประมาณตรงนั้นหรอกเอาเสียงเป็นอารมณ์ตล่อมกระแสจิตมาอยู่กับจังหวะของเสียงที่ท่านสวดท่านสาธยายไป กระแสจิตของข้างขาวนั้นจะร ว, วมมาสงบฟังอยู่เงันระบบประสาทของเท้าของขาที่เกาะผนังถ้าอยู่นั้นมันอาจจะลืมทำงานยังไงก็ไม่รู้อะล่วงลงมากระทบพื้นตายในขณะนั้นจิตนั้นเลยเป็นเ ท, เทวดา วิญญาณของข้างขาวนั่นอ่ะอันนี้เราไม่สงสัยอันนี้นะเพราะเราตั้งใจฟังเวลาพระเจ้าพระสงฆ์าาทำบัดสวดมนต์วันวันไหนเราเราไม่ว่าแล้วก็ฟังนั่นน่ะนะไม่ใช่ว่าเราอยู่เฉยๆนะแล้วประคองจิตฟัง ถ้าฟังเป็นอย่างนี้ฝึกฟังอย่างนี้แล้วจะมีอานิสง์มากมายมหาศาลทีเดียวเพราะมันตล่อมจิตจากเรื่องต่างๆเข้าสู่เสียงที่เป็นมงคลในขณนะนั้นน่ะจิตฟังแล้วมันจะเพราะมันไล้อมันนิ่มนวลภายในจิตใจนู่นน่ะจิตใจในขณนะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นเป็นบุญเป็นอ่านิสง์เป็นกุศลมหากุศลจริงๆในในขณะนั้นน่ะ แต่ส่วนมากที่จะเข้าใจฟังอย่างนี้เนะี่ยมันมันน้อยนักน้อยหนาส่วนมากก็ออเออเหลื่องข้งทันทันว่าไปเรื่องของเราก็มีแต่เมื่อกุ่มอยู่เมี่ยมัวเมาฟุ้งอยู่เนี่ยส่วนมากก็ปนอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นนดิหน้าเสียดาด น่าเสียดายเวลาที่เป็นมงคลเรานั่งเฝ้าแท้ๆเราประนมมือเฝ้าแท้ๆ แ, แต่จิตใจนั่นมันถูกกิเลสตัณหาเผาอยู่สมอยู่กุ้มมันคิดอะไรต่อเรื่องอะไรของมันทั้งๆ ท, ที่เราไม่ต้องการเนี่ยแต่มันปล่อยในขณะนั้นคือปล่อยวยความ ความไม่รู้ว่าเราจะทำใจยังไงเน่เลยปล่อยไปตามกระแสของจิเลตันหามันเผากุ้มมืดมนอนทนราการไปอยู่กันในท่ามกลางสิ่งที่เป็นมงคลแท้แทในท่ามกลางสิ่งที่จะได้บุญแท้แต่เราฝึกยังไม่เป็นฝึกยังไม่ได้ศึกษายังไม่เข้าใจดังนั้นเองท่ามเรียนรู้ตั้งใจฟังการที่เป็นมงคล เออยังทำวัดสวนมนต์หรือว่าเราทำไม่ได้ว่าไม่ได้นั่งตั้งใจฟังด้วยความเคารพตั้งใจฟังด้วยความสงบเสียงเทศเสียงธรรมกระแสจิตของเราตล่อมไปตามจังหวะเสียงที่ท่านว่านั้นที่เราไม่เข้าใจความหมายขอเอาเสียงนั้นเป็นอารมณ์ด้วยความสงบการฟัง ถ้าฟังเทศรู้จักข้อความรู้จักความหมายอันนั้นก็เป็นการเข้าใจยิ่งเข้าใจไปตามเนื้อหาในเหตุในผลอันนั้นยิ่งเป็นคติเตือนยิ่งเป็นคติสอนยิ่งเป็นคติที่เสริมความรู้ทาง จ, จิตใจ สิ่งใดที่เราฟังไม่เข้าใจเหมือนยังฟังเจริญพุทธมนต์สรรเสริญในพระธรรมเราประคองจิตใจฟังด้วยความสงบฟังด้วยจังหวะที่ท่านสวดกระแสจิตของเราไปตามจังหวะที่ท่านสวดที่ท่านสาธยายให้มันเป็นอย่างนั้นนี่คือการฟังเป็น เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเพื่อเป็นมงคลให้พานเข้าใจเมื่อเราอยู่ในถ้ำกลางของการฟังฟังเทศฟังเจริญพุทธมนต์สันเหลเสิญพุทธคุณธรรมคุณ ส, สังสคกุคณถ้าฟังเป็นแล้วมันไม่มีการเบื่อมันไม่มีการหมาการหน่ายในการฟังยิ่งเห็นคุณค่าในขณะนั้นคุณค่าของเวลาคุณค่าของตัวเองว่าเราอยู่ในถ้ำกลางของ เป็นบุญเป็นกุศลแท้แท้การเวลานั้นน่ะเราจะมีความซาบซึงเราจะมีความปีติแลาจะมีความยินดีในการฟังในการแสดงออกอันนี้ตังหากสําหรับเอที่เป็นมงคลการสวดการสรรเสริญผู้สวดผู้สรรเสริญถ้าเข้าใจอย่างนี้มันตั้งใจสวดตั้งใจว่าอย่างน้อยๆถ้าไม่มีคนฟังเทพบุตรเทวดาจะมาฟังกับเรา พอเราสาธยายสินธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและผู้สวดผู้สาธยายเข้าใจอย่างนี้ก็ตั้งใจสวดตั้งใจสาธยายฟังเสียงท่านฟังเสียงเราเสียงอันไพเราะพอปิ้งกลมเกืนกันจึงรู้เปียบว่าอืมถ้าเสียงอย่างนั้นเปียบจะเหมือน รถยีย่ห้อดีๆเส้นทางมันเดบเดียบผู้นั่งผู้ใช้มันสนุกมันมีความสุขมันสบายใดีพานเข้าใจประโยชน์จากสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ <c oughs> ตรงนี้ต่างหากจากคำสอนของพระพุทธเจ้า พระ อ, องค์ว่าสับหนึ่งซึ่งเกิดจากเหตุจากเพื่อผลทางดีเยธรรมาเหตุตุภาวะทำทั้งหลายเกิดจากเหตุ <c oughs> ดีก็เกิดจากเหตุชั่วก็เกิดจากเหตุสุขก็เกิดจากเหตุทุกข์ก็เกิดจากเหตุอะไรเหล่านี่ยเราศึกษาธรรมเราศึกษาธรรมเพื่อเข้าใจในธรรม ทำคือเหตุผลเป็นไปเพื่อเหตุดีเกิดผลคือความดีสุขเจริญในอนาคตข้างหน้าเหตุชั่วเกิดผลคือความทุกข์เป็นโทษดูในขณะจิตดูในขณะปัจจุบันในขณะนี้ให้ศึกษาใจของเราการใดเวลาใด ที่เราปล่อยไปตามปล่อยไปตามเรื่องใจหมายถึงความคิดอันนั้นนะหมายถึงอันนั้นเรามาฝึกฝึกดูศึกษาดูใจของเราให้มันรู้เรื่องเออในขนาดนี้เราจะฝึกใจทําใจของเราให้เข้าอยู่ให้เข้าสู่ระบบความเป็นศีลเป็นธรรมระบบความเป็นศีล ก็ฝึกใจทำใจให้อยู่ในความปกติดีความเรียบร้อยดีระบบความเป็นธรรมทำใจของเราเข้าสู่ความสงบให้อยู่ในระบบของความสบายมีความสดชื่นเลื่อนเดิ ง, ดงฝึกอย่างนี้นึกอย่างนี้มันก็เห็นแล้วจ้ะเนี่ย เออเมื่อความปกติของใจมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันมีความรู้สึกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เมื่อวางใจจากเรื่องต่างๆอยู่ในความสงบอยู่ใความสบายมันมีความรู้สึกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เอาเปลี่ยนวิธีทีเนี่ยเราออกจากเรื่องนี้หละคิดไปตามเรื่องที่มันเคยเป็นทีเนี่ย เกี่ยวกับผู้กับคนกับบูกับเพื่อนกับฝุ่งหน้าที่การงานหนึ่งร้อยแปดพันเรื่องไปหาประเภทนั้นบางสิ่งบางเรื่องเปรียบเหมือนหอกง้าวเหลาแหลมทิมแทงบางสิ่งบางเรื่องเปรียบเหมือนนึ่งความเปรียบเหมือนฟืนเหมือนไฟร้อนแผดเผาบางสิ่งบางเรื่องเปรียบจะเหมือนหนึ่ง โครคภัยไข้เจ็บทําให้เจ็บไข้ได้เปื่อยทนทุกข์ทรมานปานป่วนรวนเดียอยังนั้นะต้องให้ศึกษาให้เรียนรู้ทาคือจิรยาที่ปรากฏขึ้นทางจิตใจถ้าจิรยาความไม่ดีปรากฏขึ้นความไม่ดีน้อยมากนั้นเป็นอาธรรมคือความเป็นบา จากความคิดแล้วเป็นผลย้อนมาเป็นบาปรวดแล้วเหมือนกระแสไฟรวดแล้วเหมือนกระแสอะไรทุกอย่างที่มันเร็วๆนั่นนะเพราะมันนึ้อั๊บกระทบเรื่องที่อันนั้นแป๊บปากรวดป๊บเร า, ร า, ร า, ราต้องศึกษาความเป็นอยู่ความเกิดขึ้นทางจิตใจของเราเราจึงจะรู้ว่า ทำของพระพุทธเจ้านั้นเกิดแต่เหตุเหตุของธรรมที่เป็นกุศลมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เหตุของอธรรมที่มันเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราจึงจะเข้าใจฉะนั้นสติปัญญาตติเครื่องละลึกปัญญาความหลอบรู้ <c oughs> เรียนรู้ เราจะมาเรียนรู้เหตุเรื่องดีเรื่องชั่วเกิดจากใจของเรานี่เรื่องดีเรื่องความเป็นศีลเป็นธรรมเรื่องความไม่มีเรื่องอย่างที่กัมชับทุกวันสอนทุกวันเพื่อให้ฝึ ก, ก จ, จิตใจให้คุ้นเคยกันนี่ แยกวิถีจิตตลอมกระแสจิตเข้าสู่ความเป็นสินเป็นธรรมการทำใจภาษาชาวบ้านภาษาภาษาเราทาใจทาใจให้มันดีต้องทาใจแล้วล่ะเพื่อให้มันผ่อนปนจากปัญหาความทุกข์อะไรทานองนี้เคยได้ ยินใครบอกเคยยินใครเตือนเคยยินใครพูดแต่แล้วพวกเราไม่ต้องคอยเวลานั้นเวลามีปัญหามากระทบไม่คอยจต้องต้องคอยฟังคอยเตือนเวลานั้นเราต้องเตือนเราเราต้องฝึกเราตั้งแต่ไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาอะไรที่จะมากระทบรุนแรงอย่างนั้นต้องทาใจของเราในขณะนี้ ต้องฝึกใจของเราในขณะนี้ทําเพื่อใจให้ของเราให้มันดีใจดีระบบความดีคือความปกติของใจความปกติของใจคือความสมบูรณ์แบบของใจบุญคือความสมบูรณ์ความสมบูรณ์ของใจหรือว่าความเป็นสมบัติมีอะไรเป็นเครื่องวัด ความปกติเป็นเครื่องวัดความปกติทันวสินถ้าว่าไปตามหลักการสินคือความปกติกายปกติใจถ้าว่าภาษาเราก็ทำใจให้มันดีทำใจให้ปกติความปกติสุขมันจะต่อเนื่องปกติแล้วก็สุขสุขแล้วก็สบาย สุขสบายนั้นเป็นคุณลักษณะของธรรมที่ไม่มีที่ไม่มีเรื่องที่ไม่มีโทษฉะนั้นฝึกเดียวนี้ทำเดียวนี้คือทําใจของเราให้เข้าสู่ระบบความเป็นศิลเป็นธรรมอา น, นี่ให้รู้จกักศิลธรรมนี่ว่าเป็นที่พึ่งทางจิตใจว่าธรรมนี่เป็นนิยานีกรริก็ะทั่ม ผู้ฝึกผู้ปฏิบัติผู้ทาสามารถที่จะนำดวงจิตดวงใจนั้นพ้นจากเรื่องพ้นจากปัญหาพ้นจากความทุกข์สวากขาจะทาคําสอนของพระพุทธเจ้าตรัสแล้วดีแล้วตรงแล้วถูกต้องแล้ววิธีการนั้นถูกแล้วเมื่อรู้จักว่าถูกแล้วทาอย่างนี้มันถูกแล้วแล้วก็แล้วก็ทาเมื่อทาแล้ว มันก็เกิดเป็นผลนิยานีิก็ ร, รําสามารถที่จะปกป้องคุ้มครองให้จิตใจมันพ้นจากเรื่องพ้นจากปัญหาก็คือผลความดีที่เราตั้งใจฝึกตั้งใจทำให้มันอยู่ในระบบของความเป็นศีลเป็นธรรมนี่เหล๋ยวดูที่ความแผดเผาไม่ว่าแต่จิตใจกิเลสตัณหาอยู่ในจิตใจมนุษย์สัตว์เดื ส, ส, สแมวมาร้องเดี๋ยวนี้คืออะไรนนะ่ะ ไฟลาคะไฟตันหาเผามันยิงเสียงแมวลองมือนันมันเผามันไม่มีที่อยู่มันวิ่งหาอันนี้คือความเป็นเป็นทุกข์เป็นโทษความเป็นธรรมชาติจิเลตตันหามันเผาจิตใจเรามันอยู่เฉยไม่ได้ แต่แล้วจิตใจของคนไม่เหมือนจิตใจของอย่าให้มันเป็นจิตใจของสัตว์สัตว์แล้วมันมีแต่วิ่งทางเดียวคือหาทางระบายตามประษีภาษามันเอาชีวิตเขาแรลกทนายจิตใจของคนเมื่ออำนาจจิเลตัญหามันเกิดขึ้น ต้องมีเครื่องระงับคือศีลคือธรรมสัตว์เดรัจฉานหมูหมาช้างมา้าจำพวกแมวพวกอะไรก็ตามแต่ที่ร่องเห้ยวเหีเ้ยวเห้ยวหาตัวเบียตัวผูอยู่นั่นนะมันไม่มีศีลธรรมเป็นเครื่องระงับมันไม่มีศีลธรรมเป็นเครื่องกําจัดมันมันก็วิ่งหาความระบายตามภาษีภาษาของสัตว์แล้วคนแล้วจะทําเยี่ยงสัตว์ โดยไม่นึกถึงศิลถึงธรรมเป็นเป็นเครื่องหลงับมันก็เป็นคนตั้งแต่รูปร่างแต่จิตใจอยู่อานาจของกิเลสอยู่ในอำนาจของตัณหาเมื่อกิเลสเกิดขึ้นมาตัณหาเกิดขณะวิ่งวุ่นเหมือนสัตว์สาาสิงมันก็เหลือเกินคุณได้ทอยู่ที่ไหนอาคุณค่าของความดีของคนอยู่ที่ไหนอารู้จักความผิดความถูกอยู่ที่ไหนอ า, าทติ แล้ึกถึงความมีปัญญารู้จักดีรู้จักชั่วอยู่ที่ไหนเอนรู้จักผิดรู้จักถูกรู้จากความเป็นทุกข์เป็นโทษอยู่ที่ไหนอ่อนก็เป็นปัญญาแมวเป็นความรู้ของแมวของสัตว์เดรัจฉานเท่านั้นเดีวคนแท้ๆจะปล่อยเป็นอย่างนั้นมนุษย์สะเดรัจฉาโนเท่านั้นเดีวมนุษย์เปโตเท่านั้นเดีวมนุษส์เดรัจฉาโนร่างกายเป็นมนุษย์อยู่ แต่จิเลตันหามันขึ้นมันทำเหมือนสัตว์เดือดฉานมนุษย์เปโตร่างกายเป็นมนุษย์อยู่เมื่อมันต้องการอยากได้ความละอายไม่มีคนแท้แทท่ามกลางของสังคมแท้แท้เดินแจ้ผ้าแจ้ผ่อนป้าทุกเห็นรูปเห็นอะไรที่เขาถ่ายภาพมาเราสรุสังเวชจึงป้าทุกคนแท้แทแล้วทำไมกระแสจิตใจอำนาจิเลตันหาไม่นึกถึงความเป็นความทุกละอายไม่มี มันก็เหลือเกินมันเป็นเปนเตรตเธอยังเัง่ไม่ตายทำยังไงที่เหนียวหาผ้าหาผ่อนไม่มีมันก็เหลือเกินความละอายอยู่ที่ไหนล่ะแต่กันนั้นแหละความอยากของอำนาจจิเลตอำนาจของตันหามันทำลายหมด คุณค่าของคุณน่รทำความละอายต่อความขั่วความละอายต่อบาปต่อกรรมความติขินเนินทานเนี่ยจิเลศมันกบเกลื่อนหมดตัณหามันกบเกลื่อนหมดเลวร้ายขนาดนั้นเนี่ยเป็นจิเิียของเปรตกองผีแต่ยังไม่ตายทําไงทีเนี้น้าจะโลดจังเวทขนาดไหนคนเราคน มนุษย์สมนุษโศเกิดขึ้นมาพบชาตินี้บุญกุศลพามาเกิดเกิดแล้วอำนาจของวิชา ม, มืดมิดปิดตามโมหะความหลงทำลายความเป็นมนุษย์ด้วยจิริยาปาโททำยังไงทีนี่ยถ้าไม่ตื่นตนตื่นตัวแล้วการตื่นตนตื่นตัวจะไปรู้ที่ไหนจะไปตื่นที่ไหนถ้าไม่ศึกษาทางศีลทางธรรมแล้วมันเท่านั้นแหละ ถ้าไม่ฟังท่านผู้รู้ติติงตักเตือนแล้วมันเท่านั้นแหละเรื่องกิเลสตัณหาความดันทุลังมันจะฟังฟังใครอะทีอเงี้ยใครจะตักเตือนทางที่ดีอํานาจกิเลสตัณหาเมื่อดมนอนุนนการด้วยกิเลสตัณหายังมาแล้วยังไปแถมความมึนความเมาเครื่องเสพติดจุลายาฝิ่นเขาไปอีกยิ่งไปกันใหญ่นี่คือ ความเสียหายความเสื่อมเสียเกิดจากจิตใจที่ไม่มีการศึกษาเรียนรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกแต่แล้วความสำคัญตัว ฉันศึกษามามากฉันศึกษามาระดับปริยาตีปริยาโทรปริยาเอกเป็นด็อกเตอร์มาแล้วเรื่องศีลเรื่องธรรมนี่ข้าไม่สนเพราะผู้บวชนั้นก็ไม่ได้ผ่านการศึกษาอะไรไม่สนใจการฟังศีลฟังธรรมฟังเทศฟังธรรมคำสอนของกละาพระเจ้าจไม่สนใจยิงในผลแห่งการศึกษา ไปเข้าใจอย่างนั้นแล้วเพศถนัดทางศีลธรรมศาสนาท่านไม่ได้ประมาทความรู้ความรู้คือความรู้ความรู้มันดีอยู่แล้วจะเรียนจบระดับไหนมาความรู้ก็คือความรู้ไม่ไม่ได้เสียหายเลยในความรู้นั่นไม่ได้เสียหายอะไร แต่ทางศาสนาพระพุทธเจ้าบองเห็นเหตุผลตรงที่ว่าสิ่งที่ลองรับความรู้อันนั้นคือจิตใจเครื่องแต่งตัวที่เขาแต่งเขาซื้อมาชดุดหลายพันชุดและหมื่นมันไม่ได้เสียหายอะไรนะชุดนั้นสำหรับแต่งตัวบุคคลผู้เหมาะสม เอาคนป่วยมาล่องง้องแย่งเหลือแต่กระดูกไปใส่ชุดที่ราคาเป็นหมื่นเป็นแสนนั่นใส่ได้โย่แต่มันไม่สมประกอบมันไม่สมดุลกันแต่งเพื่อจะดูดูดีสดสวยของงามแต่เอาคนเป็นโรคเป็นภัยผอมมาลองงองแยงเอเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกไปไปใส่ไปแต่งไอศักสีของชุดที่มีราคาดีนั่นนะชุดก็คือชดุด เครื่องแต่งนั่นคือเตี้ยงนะเครื่องเครื่องแต่ไอ้ผู้คนผู้เป็นรองรับเครื่องแต่งนั่นนะมันไม่สมดุลกันไอ้จิตใจของคนที่จะไปรองรับความรู้เนี่ยมันไม่สมดุลกันเดี๋ยวเนี่ยมันไม่สมดุลเพราะอะไรอ่ะเพราะความโลภมันมากความโกรธมันมากความหลงมันมากตัณหามันมากเมื่อสิ่งนี้มาก ท่านว่าคุ ณ, ณธรรมทางจิตใจมันลดลงลดลงแทบจะไม่มีว่าง่ายก็คือจิตใจมันขาดคุ ณ, ณธรรมเมื่อจิตใจขาดคุ ณ, ณธรรมความรู้ที่เรียนมานั่นแหะมันเลยเอามาเป็นเครื่องมือของข่มโลกเอามาเป็นเครื่องมือของตันหา รอบโมโทสันช่อราดบางหลวง อ, อะไรทำนองนี้คดกงคอรับชั่นคอรับอะไรเนี่ยความตันหาความอยากอันนั้นน่ะมันก็เอาความรู้มาเป็นเครื่องมือแนวทางของมันดันั้นน่ะยิ่งนักบ ร, บริหารบ้านเมืองมีมียิ่งในตัวเองว่ามีอำนาจว่าตนามีหน้าที่ มีอำนาจบริหารบ้านเมืองลักษณะประเภทอาศัยความรู้ยิ่งในความรู้ข้าพระเจ้าจบมาลระดับนั้นระดับนั้นแล้วคุ ณ, ณธรรมไม่มีบริหารไปเท่าไหร่ยิ่งและตุ่มเปะบ้านเมืองชิบหายวายป่วงทรัพย์สินเงินทองของชาติชิบหายวายป่วงมันไปไหนมันไปไหนหมดทรัพย์สินเงินทองแต่ก่อนเคยมีความมุ่มสมบูรณ์หรือไปเผาทิ้งหรือไฟถูกเผา เหลือไปจมน้ำทะเลไม่ได้ยินข่าวว่าไฟมันเผาทิ้งหมดแล้วทรัพย์สินเงินทองในทองประคังน้ำท่วมหมดแล้วไม่ได้ยินข่าวนะถ้ามันเปอย่างนั้นมันคงจะบอกข่าวออกมาแต่มันไปไหนที่นี้เอาถ้าไม่เข้าท้องความรุ่เข้าท้องของพวกตันหาเหมื่อดนอนตการเป็นไฟเผา อันนี้ตังหากไอ้เจ้าพวกยิงด้วยความรู้ความรู้เราไม่ได้ประมาทความรู้คือความรู้เป็นห่วงตรงที่ว่าให้รู้ตัวว่าเออนี่ความรู้สิ่งที่รองรับความรู้คือจิตใจนั้นน่ะสมดุลกันไหมเหมาะสมกันไหมถ้าจิตใจอยู่ในฐานะที่รองรับความรู้นั้นเป็นจิตใจที่พร้อมด้วยคุณธรรมพร้อมด้วยคุ ณ, รรรคณธรรมพร้อมด้วยความรู้ นี่เป็นจิตใจผู้จะพร้อมด้วยสติอันชอบปัญญาอันชอบอยู่ที่ใดสร้างความเจริญขึ้นที่นั้นมีน้อยก็เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์น้อยมีมากคนยิ่งเป็นประโยชน์มากแต่แล้วมันก็อย่างว่ายุคนี้สมัยนี้ไอสิ่งที่เป็นประโยชน์โมหะเมืดม่ดเมตดปิดทำให้หลงให้ลืม เกิดความประมาทในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างนี้การเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่เสื่อมเสียน้อยที่จะรู้ตัวส่วนมากมันไม่รู้ตัวยิ่งในสิ่งที่ควรที่จะเกิดความสำนึกในทางที่ผิดกับเห็นทของผิดว่าเป็นของไม่ผิด เห็นของควรว่าเป็นของไม่ควรเห็นของไม่ควรกลับเป็นของควรถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ที่ใดก็เถอะหาความสุขความเจริญเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตมันไม่มีทางเกิดมันเป็นไปไม่ได้เวีนไว้แต่จะรู้ตัวแต่นั้นพระพุทธเจ้าสอนให้บริกรรมพุทโธพุทโธมาภาวนาพุทโธเป็นผู้ตื่น ตื่นรู้ตนรู้ตัวมาไดย้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าความดีความชั่วความผิดความถูกเป็นอย่างนี้อย่างนี้คุ ณ, ณธรรมความดีของคนนั่นเอาอะไรมาเป็นเครื่องแสดงออกบอกความดีของคนคือคุณธรรมคุณธรรมก็คือความดีของคนหลักวิชาการความรู้ที่เดียนมาทันตามทางทฤษดีต่างๆนั่นเป็นหลักความรู้เพื่อประกอบ ให้รู้จักแนวทางรู้เท่ารู้ทันเหตุผลในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในทางวัตถุสมบัติแต่แล้วคุณน่าทมเป็นของเคียงคู่มันขาดไม่ได้กับคุณนวธิความรู้นั้นเปรียบเหมือนนี่ความเป็นอยู่ของโลกโลกนี้มันมีมืดแล้วก็ควร ม, มีสว่างมีเย็นก็ควนมีร้อนอะไรของนี้สมบัติของเรามีอยู่ในเรา มันก็มีคู่จึงจะสมบูรณ์มีขาก็มีคู่ขาซ้ายขาขวามีแขนกับแขนซ้ายแขนขวามีตามีหูก็ข้างซ้ายข้างขวาแล้วมีแล้วดีด้วยมันจริงสมบูรณ์มีขาเดียวก็ใช้ได้อยู่มีแขนเดียวก็ใช้ได้อยู่มีหูเดียวตาเดียวก็ใช้ได้อยู่แต่ไม่สมบูรณ์ อันนั้นนะเพื่อความเจริญตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงได้สอนประโยชน์ในปัจจุบันให้พากันมีความหมั่นควมกยันในการศึกษาเล่าเรียนรู้จักหน้าที่ของตัวเอง หน้าที่ของตัวเองถ้าอยู่ในท่านฐานะที่อยู่ในกำลังศึกษาเล่าเรียนมีความหมั่นความขยันในการศึกษาเล่าเรียนหน้าที่ของตัวเองอยู่ในฐานะที่ทำการทำงานรับผิดชอบหน้าที่การงานมีความหมั่นความขยันในฐาน่การงานนั้นาาถหารู้จักฐานะหน้าที่ของตัวเองเมื่อรู้จักฐานะประกอบอย่างนั้นแล้วต่อไป <c oughs> ผลแห่งการทำความดีนั่นก็คือวัตถุสมบัติให้รู้จักรักษาให้รู้จักใช้ให้รู้ให้เห็นคุณค่าไม่ใช่ใช้ตามแบบจิเลตมันชอบใช้แบบตัณหามันชอบเหมือนทุกวันนี้ปัจจุบัชุดเครื่องแต่งตัวใบโลกใหลานนักศึกษาบางชุดจะเป็นเป็ น, ปนพันเป็นหมื่นเฮอ ถึงจะจีพันจีเหมือนกับมาแต่งคนคนเก่านั่นเลีวแต่งแล้วก็แต่งคนจีหลายมาแต่งก็เหมือนที่เอาชุดไปแต่งศพนั่นเร็วเขาคนที่รองรับเครื่องแต่งมันเหมือนอะไรอะ่ะสำหรับเครื่องใช้อันนั้น พอเหมาะพอดีมีคุณค่ารู้จักคุณค่าถ้าตัวเองมีคุณค่าถ้าตัวเองดีถ้าตัวเองอยู่ในความดีในสิ่งที่อยู่ในฐานะรู้ตัวมีคุ ณ, ณธรรมเป็นเครื่องอยู่มีคุ ณ, ณธรรมเป็นเครื่องแสดงออกได้ยว่าคนดีก็ไม่จาเป็นีต้องแต่งอะไรมากเพียงแต่ปกปิดความละอายปกป้อง ความเย็นความร้อนความหนาวปกปิดความเย็นความร้อนความหนาวเลือบยงความสะอาดดูดีเพียงแค่นี้มันก็ดูกันได้แล้วดูดีแล้วความดีนี้มันอยู่กับจริยามารยาทการกระทำคือคุณธรรมคุณธรรมคือความดีของคน ถ้ามันเกินกว่านี้มันไปตามกระแสของกิเลสแล้วมันไปตามกระแสของตัณหาแล้วมันแช่งกันด้วยกิเลสแช่งกันด้วยตัณหาแล้วตัณหามันมีขอบเขตที่ไหนที่เนเอาตัณหานี่ความขอบเขตของความอยากท่านเปรียบเหมือนไฟมันไหม้เชื่อเราก่อไฟขึ้นมา เอาเชื้อจะเป็นเชื้อประเภทไหนให้มันให้ไฟมันอิ่มจะเป็นเทน้ํามันใส่ให้ไฟมันอิ่ ม, ม, ม, มก็ลองดูที่เอาหรือเชื้อเพลิงประเภทไหนโยนให้มันให้ไฟมันอิ่มก็ดูที่เอาตันหาความอยากความต้องการของที่จิตในจิตในใจของมนุษย์คนละแบบเดียวกันฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้รู้ตัวนี่เป็นโทษเป็นโทษเป็นโทษเป็นโทษ เมื่อมันอยู่ในความชิดไปตามกระแสของตัณหาความพอเหมาะพอดีมัดิมมาพอเหมาะพอดีมันมันไม่มีในจุดนั้นมันไม่มีในความรู้สึกนั้นมันไปตามกระแสตัณหามันไม่อยู่ในความพอเหมาะพอดีเมื่อก็เลยกลายเป็นส่วนเกิน ส่วนเกินใด้เสียทั้งนั้นคนควรจะมีสองขากับมีสามขามันส่วนเกินแล้วมันคนควรจะมีเนี่ยมือห้านิ้วมันกับหกนิ้วเจ็ดนิ้วแปดนิ้วมันส่วนเกินมันเป็นตัวอะไรไม่รู้เป็นได้โยมีได้แต่มันตัวอะไรไม่รู้อันนี้อยู่ในส่วนเกินก็เป็นได้โยไปได้โยแต่แล้วมันเหมือนอะไรไม่รู้ มันไม่อยู่ในพอเหมาะพอดีแตนั้นศีลธรรมเป็นเครื่องบัดความดีของคนคุณธรรมคือลักษณะความดีของคนจนัดการศึกษาศีลธรรมใ ห, ให้เข้าใจความหมายว่าศีลธรรมศาสนาเป็นของคือของลาวจะหมายใครว่าท่านผู้รู้ท่นานไม่ได้ว่าศีลธรรมนี้เป็นเครื่อง เป็นความดีที่เป็นเครื่องวัดของคนและเป็นความดีของคนในทางที่ถูกและเป็นความดีของคนในทางถูกที่ดีด้วยคือสินธรรมคือล่าสมัยที่ไหนที่ว่าคือล่าสมัยก็คือเหมือนนี่ไก่ที่มันหายจินเขี่ยไปเขี่ยมาเห็นเม็ดพลอยเม็ดสิ่งที่มีคุณค่านะั่นแล้วทำไมไม่เจ็บ เม็ดข้าวสารครึ่งเม็ดไม่ถึงครึ่งเม็ดมันเจ็บเม็ดพลอยเนี่ยมันหมดคุณค่าเลยทา้าไม่โทษว่าไก่นะยมันไม่ไม่รู้จักคุณค่าในสิ่งที่มีคุณค่านี่คือคนเรานี่ถ้าเผื่อมือดมนอุ น, นาการด้วยกิเลสมืดมนอุ น, นาการด้วยตัณหาแล้วมันก็ตําราเดียวก็แล้วก็จะกับไก่มันหายจินมันเห็นเม็ดเพชรพลอยในสิ่งที่มีค่ามีราคาแล้วมันเฉยอะ่ะศีลธรรม ที่เป็นประโยชน์กับชาวโลกที่พระพุทธเจ้าประทานเอาไวน้นนะ่ะกับค่านิยมของสังคมแบบมืดบนอนุการด้วยกิเลสตันหานี่มันเฉยเรื่องศีลเรื่องธรรมนี่คืล่าสมัยถ้าเมาแอะเมาแอนดูนตาไมื่อเกินเออทันสมัยละนั่นนะ่ะเอยิงวัยลูกวัยหลานบางคนบางหมูเนี่ยตั้งใส่ชุดนักศึกษาอยู่ เมาจนลืนตาไม่ขึ้นเดินไม่ถูกทางออนักศึกษาเรียนรู้รู้อะไรเป็นอย่างนั้นนี่สำหรับบางคนมีบางคนแล้วก็ยังไม่ได้ไปถึงไหนมีลูกมีเต้าแตกมาแล้วอ้อเคนิกบางเคนิก แท้จะไม่มีเวลาพักผ่อนเดือดร้อนทึงแพทย์ถึงหมอตัวเองทำบาปทำกรรมแล้วยังไม่แล้วยังไปเดือดร้อนถึงแพทย์ถึงหมอให้มาฆ่าคนอีกเออมันก็เหลือเกินถ้าแพทย์หมอไม่ทำให้ทำยังไงซิเนีอ้อนบอนอับอายขายหน้าขนาดไหน เอาไปามาเป็นบาปเป็นกรรมทั้งตัวเองเป็นบาปเป็นกรรมทั้งแพทย์ทั้งหมอขนาดเดือนทีปีครั้งออกข่าวมาไอ้ที่ไม่ออกข่าวที่นี่เอาไม่มีเหรอแต่ละวันแต่ละวันไปทํากันแบบนั้นไม่มีแต่วันเขาออกข่าวภาพพจนของสังคมที่มันมืดมนอันตรารเลวร้ายด้วยกระแสกับหน้าจิเลตตันหาเนี่ยดูที่นั่นนะเออดูดู มันเว้นเมื่อไหร่มันจะเว้นวันเว้นปีเว้นเดือนเมื่อไหร่อันนี้คือคุณค่าของคุณธรรมทางจิตใจนี่รู้สึกจะมองภาพพจน์กับบุคคลหมู่พวกสังคมประเภทนี้แทบจะไม่มีเหลือเลยมันมีแต่อํานาจของกิเลสอํานาจของตัณหาสนุกสนุกแบบกิเลสสนุกแบบตัณหาก็ารสนุกแบบที่ กินขนมเกลือยาพิษเงี่นเหลวสนุกแบบแรงเมามันเห็นไฟเงี่ยเหลวฉะนั้นสิ่งนี้มันเรียนทำมันต้องเรียนรู้เหตุรู้ผลไม่อย่างนั้นแล้วสติอันชอบเครื่องเราเลือกรักษาตัวเองมันจะไม่คมปัญญาอันชอบมันจะไม่รอบรู้ในเหตุในผลภัยอันตรายที่เกิดกับตนมันมาอย่างไงเกิดจากอะไรที่ไหนมันไม่รู้ เมื่อเรียนรู้อย่างนี้แล้วโอ้ยตายไอสิ่งที่เป็นภัยที่สุดสิ่งที่ชั่วช้าลามกที่สุดทําให้ตัวเองหมดคุณค่าหมดศักดิ์ศรีไม่ใช่อื่นไกลเลยกิดอานาจชิเล็ความร่วงความกด ค, ความหลงอํานาจของตันหาที่มันมีความอยากภัยนี้ตังหากถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็เปียบเหมือ น, นที่ว่าน้ําที่มันเป็นประโยชน์แต่มันมามากเหมือนมีข่าทุกวันเนี่ยท่วมถนหนทาง ท่วมบ้านท่วมเรือนทั้งที่น้ามันเป็นประโยชน์นะแต่มันมาเกินกว่าเฉดไฟมันเกิดโกนกิดเหตุเผาบ้านเผาเมืองทั้งที่เราหลีกจากไฟอาศัยไฟอยู่ทุกวันอาศัยความร้อนอเกิดจากไฟอยู่ทุกวันแต่มันเกินขอบเฉตจะว่าไงมันก็เป็นโทษทนเหลวอาศัยความอยากความต้องการมีอยู่ทุกวันแต่ให้มันอยากในสิ่งที่ถูกอยากในสิ่งที่ดี เหมือนอย่างพวกเราต้องการอยากมาฝึกปฏิบัติอยู่ในศิลในธรรมขอบเขตอันเป็นบุญเป็นกุศลความอยากประเภทนี้เป็นความอยากีนสิ่งในในทางที่ดีสิ่งใดมันถูกขอบเขต ม, มันมันมีอยากในสิ่งที่ขอบเขตทำในสิ่งที่มีขอบเขตก็เหมือนอย่างที่เราต้องการไฟพัดถ้าไฟมันอยู่ในระบบของมันมันไม่ชการมันมาตามระบบมันก็นเป็นประโยชน์ ถ้ามันมาอยู่ในทำระบบมันก็นเป็นเกิดเป็นเพลิงเผาพิ โ, โลธอันนั้นตัณหาความอยากก็แบบเดียวกันความใคร่ความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสอารมณ์อยู่ในขอบเขตในสิ่งที่ถูกต้องท่านผู้รู้สรรเสริญมติเตียงติเตียนอันนั้นคือขอบเขตเป็นขนบทรรมียประเพณีอันเงียตั้งแต่ไหนแต่ไรมาถ้าอยู่ในขอบเขตอันนี้จะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวนี้ ค่านิยมแบบลืมตนลืมตัวโมหะความหลงอวิชชาความรู้มันจะเอาวัฒนธรรมอะไรมาแทนวัฒนธรรมของคนเอาวัฒนธรรมไอ้พวกต้นจุ่มหางงอก็ไม่รู้แหละเอแแหกันแแ่กันแล้วก็ไม่รับผิดชอบกันความผิดความถูกไม่รู้ ฉะนั้นเรื่องศีลเรื่องธรรมจึงเป็นสิ่งที่น่าศึกษาว่าอะไรผิดอะไรถูกมาเรียนรู้ความผิดความถูกจากสิ่งที่มันมีทั้งคุณมีทั้งโทษทางในจิตใจของเราอย่างว่านี่แหละภายในจิตใจถ้ามาเราไม่เลือกเฟนมันก็ไม่รู้จักว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ประโยชน์ปัจจุบันทำยังไง ประโยชน์อนาคตข้างหน้าทำยังไงก็ขาดทุนสูญกําไรเท่านั้นแหละนี่พวกเราเกิดมาไม่ใช่เกิดมาเพื่อขาดทุนอยู่แล้วก็ต้องศึกษาวาศินอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มาฝึกสมาธิอย่างนี้อย่างนี้เพื่อสร้างกําลังใจของเราให้มันเป็นประโยชน์ประโยชน์ตัวนี้คือประโยชน์สุขนั่นแหละให้ผ่านเข้าใจวันพระวันเจ้าวันพระวันศิล์วันปกติธรรมดา ถ้าเข้าใจแล้วเราอยู่ในท่ามกลางความเป็นบุญยืนเดินนั่งนอนเดินก็เดินจงกรมนั่งก็นั่งสมาธิหรือก็นั่งศึกษาหาความรู้ฟังในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ดูในสิ่งที่เป็นประโยชน์จากตำราเรียนเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมเสริมความรู้ทางจิตใจทางที่เป็นประโยชน์ในขณะเดียวกันความรู้นะั่นก็คือความรู้จิตใจของเราให้อยู่ในฐานะที่รองรับความรู้อันนั้นคือฝึกให้จิตใจมีคุ ณ, ณธรรม มีความสมบูรณ์แบบทั้งเกีตใจมีคุณธรรมำเกีตใจมีความรู้อันนี้แหละยิงจะเป็นไปเพื่อความเจริญสิ่งแปลกใหม่เปลี่ยนแปลงในทางความเจริญมันก็เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญในอนาคตถ้า <c oughs> เปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงไปกับเรื่องไม่ใช่เรื่องเรื่องมีแต่ไม่เชื่อไม่ใช่เรื่องเรื่องเป็นทุกข์เป็นโทษเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแบบนั้นนะ ถ้าเปลี่ยนแปลงแบบนั้นให้เปลี่ยนแปลงไปทํำไมให้เปลี่ยนแปลงทางดีอย่างที่ว่าหนทิทีให้มีศีลมีธรรมมีคุณธรรมเพื่อเป็นการสร้างสรรเสริมความรู้ทางจิตใจมีความสมบูรณ์แบบความสมบูรณ์แบบวันนี้จะเป็นไปเพื่อความสงบสุขเป็นไปเพื่อความอบอุ่นทั้งปัจจุบันและอนาคตเท่านั้นแล้วนี่คําสอนของพระพุทธเจ้าให้ผ่านเข้าใจ <c oughs> เราเปียนบทอครของเราเอา